บริษัททั้งหลายวันนี้วันที่8มกราคม2532การเว้นการบันทึกมาสไหลดยวันก็ป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไรร่างกายดีขึ้นเยอะประษาท ต, ต่างๆรอบๆ ร, ร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าส่วนสำคัญมนอยู่ที่ท้องท้องยังแย่มากปวดมาก วันนี้ปรากฏว่าร่างกายมันปวดท้องและก็มีเสมหามากความจริงบรรดาท่านผุทบริษัท ร, รายการนี้เป็นรายการธรรมะแต่ถ้าว่าที่มาบอกวันนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านผุทธบริษัทผู้รับฟังก็ดีหรือผู้อ่านก็ดีจะได้ทราบว่าธรรมะจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสงสอน ก็คือให้เข้าใจในขันห้า ย, ย้งยันหลงว่าขันห้าเที่ยงขันห้าไม่มีทุกขันห้าไม่สลายตัวยาอตรตมานบมันดาท่านพุทธบริษัทมีทุกคนที่เข้ามาในวัดและที่มาหาด้วยศรัทธาต่างก็ปรารัว่าขอหลวงพ่ออยู่ น, นานๆเป็นร่มโพล่มใสข้าบมัดาลูกหลานต่อไปแต่ความจริงท่านเาลาย ต้นโพหรือต้นไสที่ท่านต้องการอาศัยจริงๆแล้วมีสาขามากแต่ถ้าว่าภายในต้นถูกปวกกัดคือไส้ของต้นโพถูกปวกกัดต้นในแก่ก็เพราะลำไส้ไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าร่างกายนี้จะทรงได้ตลอดการเราสมัยหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็มาคุยกันต่อไปทั้งตามความเป็นจริงเมื่อกลับจากซอยสายลมบรรดาท่านพุทตบริษัทขณะที่ไปซอยสายลมป่วยมากแล้วก็อาการป่ว ย, ยไม่ขอเล่าให้ฟังขึ้นมาจากการรับแขกและการแนะนำธรรมะก็พบกับหมอหมอธรรมคอยตลอดเวลาได้จ <c oughs> น, นในแพทย์จรูน นักณะของท่านแต่ว่าพอกลับมาถึงวัดพันที่พื้นที่เจ็ดมกราคมคือวันนี้ขนาที่ตอนเช้ามันงงมากกอนอนภาวนาคิดว่าร่างใครอาจจะตายก็ได้ท้องก็ปวดจัดเซมห่าก็มากแต่ได้ว่าสิ่งที่ปรายกฎการขึ้นเป็นพิเศษ ขณะที่ภาวนาไปใกล้เวลา4โมงเชา้าหรือกล้เวลา10นาฬิกาก็รายกรวดติดตกวูบลงจากนิบอนมีอารมณ์สว่างสวัยเห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่แต่ร่างกายนั้นตัวใหญ่มากร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างผิวพันสวยสดงดงามผิวขาวเหลืองมีแสงสว่างออก แต่สองมือกลุมขมับแสดงว่ามีการปวดที่สามากนอนลุกไม่ขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็มีภาพไก่ตัวเมียเป็นแพร่ภาพไก่ประเทศไก่ชน <c oughs> สีดำเงินแก่ค่อนข้างดำมีลายเป็นจุดๆลายขาวเป็นจุดๆขาวทั้งตัวยืนอยู่เหนือทิษา ตอนนั้นก็มีเสียงกังวลดังมาจากข้างบนเป็นเสียงค่อนข้างใหญ่แต่กังวลมากเพราะมากราะว่าจงบทเนีนจงบทเนีนจงบทเนีน <c oughs> <c oughs> เมื่อฟังเสียงแล้วบรรดาท่านพุทธริษัยก็คิดในใจว่าเพราะอะไรก็คิดว่าการที่ปุวยคราวนี้บรรดาท่านพุทธริษัยเป็นมาเดือนเศษ อาการป่วยพิเศษคือมันหนักที่ที่สะมากแล้วก็ปวดขมับถึงเวลาใกล้จะสามโงเย็งก็ปวดขมับทนไม่ไหวแล้วพุ่พลันที่สามมากซึ่งจัหนักลุกก็้นก็มึนงงขามไม่มีแรงเดินชวนจะล้มอาการอย่างนี้มาเป็นมาเป็นเดือนเศษถึงเวลารับแขกบรรดาท่านผู้บริษัท ก็เป็นธรรมดาอยู่เองจะแสดงการเยดป่วยก็เป็นเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์กับผู้เห็นยังใช้กำลังของขันติช่วยอดทนมีมีหน้าตายิ้งแย้มแสมใสเป็นปกติเจอทั้งมีบุคคลบางคนเขาพูดมาให้ได้ยินว่าตามาน่ะเป็นคนมีมารยามาก ความจริงร่างกายไม่เป็นไรแข็งแรงดียิ้นแย้มแจ็มใสแต่บอกว่าป่วยอันี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกบรรดาทันพุทธบริษัทอัตบาล ก, บกับพ่านก็เหมือนกัน น, กก น, นัติโลเกนิทโตที่พระพุทธเจา้าทรงกล่าวว่าคนไม่ถูกยินทายเลยไม่มีในโลกจึ <c oughs> งคนเรามีสภาพอีกอย่างหนึง่งนั่นคือว่าถ้าเขาเป็นขโมย เขาจะไม่ไว้วางใจคิดว่าทุกคนเป็นขมโมยไปด้วยถ้าเขาเป็นคนมีมายาเขาก็จะคิดว่าคนอื่นก็มีมายาไปด้วยอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามีหน้าที่โดยตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คือแนะนำธรรมะเพราะเวลานี้ก็แก่แล้วบรรดาท่านทั้งหลายจะต้องการทรั์สินเงินทองไปเป็นส่วนตัวก็ไม่มีความหมาย ทั้งนี้ก็เพราะว่าแกแล้วตายก็อไปไม่ได้มีเท่าไรก็ก่อสร้างหมดแล้วก็สร้างเกินหมดให้ใช้จ่ายภายในเพื่อบำรุงพระสงฆ์สมณีในวัด <c oughs> ก็เมื่อเห็นภาพไก่ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้กาลังใจควบคุมไว้ในใจอดทนตดการปวดทิสสาทนต่อการมึนงงทนตดอการปวดท้องใช้กำลังขันติเข้าขม ให้รวบรวมกําลังใจด้วยสังขารรูปปีชายานก็ใช้กําลังใจคนจนหนึ่งที่เรียกว่าปุกเปนิวาสารุติยานแล้วก็ยาถากมูมตายานนี่เป็นของจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทเราพูดกันแบบเปิดเผยก็แล้วกันฉะนั้นเราขอพูดกันแบบเปิดเผยเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงใคราโอโอตริมนุสธรรมก็ว่ามา ถ้าใครเขาหาก็ถือว่าเขากับเราครบกันไม่ได้ก็แยกแยกพวกกันอยู่ก็หมดเรื่องกันไปพระวิชาทั้งหลายเหล่านี้ไม่จะมีแต่ตัวเองสอนคนให้ได้มาเป็นแสนแล้วเด็กเด็กเล็กเล็กก็สามารถทำไดนะ้แต่ท่านที่จะมาโจทย์สนแสดงว่าท่านไม่เอาไหนไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาะและก็ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ใช่สาวกศาสดาเดียวกันจะยอมรับนับถือซึ่งกันกันเพื่อประโยชน์อะไรแล้จะมาเกิดมาก็เลี้ยงตัวเองอาศัยบรรดาเทพบริษัทเลี้ยงตัวก็พราะอาศัยการสร้างศรัทธารวมความว่าเรื่องอย่างนี้ปล่อยไปเรื่องเกิดมาไรรู้เมา น, นั้นถ้าเราจอมกองรวมีเรื่องบรรดาเทพบริษัทก็ไม่ต้องรู้จริงกันล่ะรวมความว่าในเมื่อ กะมเหตุยังไเกิดขึ้นก็ต้องทบทวนใช้ปกพีนิวาสานุติยานก่อนและควบกันด้วยยะทายกมุตายานคิดว่าอารอาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันมาจากไหนชาตินี้ทั้งชาติไก่ตัวเมียไม่เคยฆ่าแต่ที่ฆ่าจริงๆคือไก่ตัวผู้ก็ไม่ใช่ลงอาเองสองตัวในชีวิตนี้มีสองตัวเท่านั้น คนอื่นเขาฆ่าจะลอยกินกับเขาถ้าถามว่ายินดีกับเขาไหมเวลานั้นเป็นเด็กบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อผู้ใหญ่เขาแย่ฆ่ามันก็ต้องยินดีแต่ก็ไม่ใช่ยินดีในการฆ่ายินดีในการกินถ้าจะถามว่าบาปไหมเขาต้องขอตอบว่าบาปร่วมกับบาปกับเขาเพราะโมทนาความชัว่วการโมทนาความดีได้รับเป็นไปสวรรค์เป็นต้น การโมทนาความบากนั้นก็ไปนรกไหมือกันตอนนี้สาหรับไก่ตัวเมียไม่มีในชาตินี้ก็ทบทวนกําลังใจหาเหตุหาผลว่าชาตินี้ไปทําอะไรบ้างให้กํากลังใจทบทวนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงความเป็นเด็กก็ไม่เคยเห็นไก่ตัวเมียแบบนี้จ้งความว่าต่อไปก็ทบทวนใหม่ถามถามต่อคราวนี้ถามแล้ว การรู้เองนี่มันได้ท่านพุทธบริษัทไม่ค่อยจะแม่นยำนักบางทีก็พลาดถึงแม้ว่าการสอบถามก็เป็นกันแต่กำลังใจเขามีอุปาทานควบคุมอยู่ก็พลาดเหมือนกันต้องทำกำลังใจให้เป็นปกติเมื่อกำลังใจเป็นปกติเ็าถามถามว่าไก่ตัวนี้ฆ่าตายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เสียงกังวานนั้นท่านตอบตรงมา ว่าไก่ตัวนี้เจ้าค่าตายเมื่อสมัยสามชาติที่ผ่านมาคือชาตินี้ไม่นับทิ้งชาติที่เสียกลับเปหนึ่งสองและสามก็ถามว่าในสมัยนั้นเกิดที่ไหนเสียงก็ตอบออกมาว่าเกิดที่จังหวัดอุทยาาในเหตุที่ฆ่าเป็นเพราะอะไรเพียงฆ่าอยากกินหรือว่าฆ่าเพื่อโกรธ เพีงนั้นก็ตอบมาพร้อมก็ทําภาพภาพในปล า, ายกดชัดว่าเวลานั้นเป็นเด็กอายุประมาณสิบปี <c oughs> เวลานั้นเป็นเด็กวัดท่านบอกวัดอยู่ที่หันตราจพียงวัดอยุธยาอาจจะเป็นวัดหันตราก็ได้แต่โดยแต่เพียงท่านบอกวัดอยู่ที่หันตราเป็นเด็กวัดที่นั่นขณะนั้นเดินไป รายกฎว่าเจ้าสุนัขของชาวบ้านมันเข้ามาในวัดเป็นสุนัขดุสุนัขในวัดจะเลี้ยงกันอยู่เสมอไม่ทําเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์รักสุนัขรักเป็ดรักไก่รักหมูเราหันเลี้ยงทุกวันเวลานั้นไก่ฟงหนึ่งกําลังกินอาหารอยู่เจ้าสุนัขมันเข้ามาพอเดินผ่านก็ไปมันก็ไล่โกอเจ็ดกัดขณะนั้นมีไม้ท่อนสั้นๆอยู่ที่มือ ก็คว้างเจ้าสนักเจ้าสนักมันหลบเอิบไปโดนไก่ตัวนี้ตายก็ดีเป็นไก่ลักษณะเดียวกันเป็นไก่ตมเมีเเป็นไก่ชนสีทั้งมันม่นตั้งเมาตั้งเแก่และก็ไปจุดที่ขาวตามตัวเป็นการไส่สวงมากเห็นเข้าแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าไก่เรารักไม่น่าจะมาตายเพราะเจ้าสนักตัวนี้ก็เข้าไปประคับประคอง นำไปหาพระท่านพระบุญยามให้ทําการปฐมพยาบาลทุกอย่างไก่ก็ไม่ฟื้นในที่สุดเมื่อไก่ตายแล้วคนอื่นเขาจะนํานไก่ไปกินก็ไม่ยอมเพราะไก่ฉันรักมากก็ทอนํานไก่ไปฝังเวลานั้นมีสตังอยู่หนึ่งไผ่ก็ให้ไปเพื่อจุติวัดมีสตังเหลืออยู่หนึ่งไผ่ก็มีมนตราทําปาสกุลเมื่อพระป่าสกุลเสร็จก็ต้องมือก็ทำการฝัง ตามเรื่องราวท่านไล่ฟังอย่างนี้ก็ติดตามเรื่องต่อไปว่าไก่ตัวนี้เราก็รักและพระก็รักพระในวัดท่านก็ดีมีความรักในสัตว์ท่านจัดอาหารมาเขาให้อาตมาเป็นคนเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วได้กฏว่าพระก็รักไก่ก็ให้ตายแล้วไปไหนก็ติดตามเรื่องต่อไป อยากทราบภาพนั้นก็ถามได้บอกเวลานี้ไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเกิดเป็นไก่หรือเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นกูดาเกิดนางฟ้าเกิดไหนไม่ทราบเสียงที่กระตอบมาว่าเจ้าจงไปดาวดิงไปที่ปัญปญสิกขาทิพบุตรเจ้าจะคบไก่ที่เจ้าข้าว้าวให้ายเป็นไก่ที่เจ้ารักก็ตามเสียงนั้นคิดไปที่ดาวดิง ไปหาท่านปัญญสิกขาที่ประมุขเมื่อไปถึงแล้วกับนากูว่าท่านปัญญสิกขาที่มุขเพ่งคอยต้อนรับอยู่ไปถึงท่านก็ให้นั่งอาสนะที่สมควรและคุยกับท่านถามได้บอกว่าไก่ที่ฉันฟ้างไ้ถึงก็ความตายเวลานี้อยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาจะบอกว่าถามผิดให้ถามใหม่ ว่อไก่ที่เธอคว้างถึงความตายท่านไม่มีตั้งใจคว้างไก่มีแต่ไก่ตัวที่เธอตั้งตั้งใจขว้างสุ น, นัขแต่ว่าเออไปถูกไก่นี่มีอยู่ก็เลยบอกท่านบาทตามนั้นแหละคือก็ฟ้าสุ น, นัขตัวท่านบอกเอิอสุนัขหลบไม้ไปถูกไก่ท่านก็เชีย่ยไปดูนางฟ้าที่นั่งอไกลเป็นคนโปร่งบางผิวขาวสวยมากยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวย เธอยิ้มแย้มพอห น, หน้าไปหาเธอเธอกรยุกหัวไหวเธอถามว่าจำที่ฉันได้ไหมเจ้าคะ่ะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไก่อาจจะจาได้ภาพไก่ก็ปรากฏข้างเธอได้ก็บอกว่าฉันคือไก่ตัวนี้เจ้าคะ่ะแล้วก็ถามเธอว่าเธอตายจากการถูกขว้างกำลังกินอยู่แล้วเธอมาเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ฉันเลาเองได้ยังไง เธอก็ตอบว่าเวลานั้นมีเธอความมีจิตรักพระมากพระทุกองค์ในวัดมีความจิตเมตตากรานีในสัตว์เวลาพระมาเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องต้อนทุกตัวเห็นพระก็วิ่งเข้ามาหาแล้วก็ท่านเองก็เป็นคนลงมาเลี้ยงฉันก็มีความรักอาศัยที่คือความรักในพระ อาสัยที่มีความรักในท่านที่มีจิตเมตตาขณะที่ถูกกว้างก็มันยังไม่ทันตายทีเดียวความจริงอาการแน่วแน่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ตายแต่ ว, ว่าก็าไม่ใช่สลบความรู้สึกยังมีอยู่ขณะที่ท่านเข้าไปอุ้มก็ยังมีความรู้สึกเวลานั้นก็รักท่านเวลาที่พระทำปฐมเบญบาลก็เปความรู้สึกรักในพระว่ามีจิตเมตตา ละลูกตัวไปรูปตัวมาก็มีความรู้สึกคลายจากความเจ็บปวดเมื่อความเจ็บปวดหายไปประเดี๋ยวหนึ่งจิตใจก็ชุ่มชื่นเวลานั้นจิตออกจากร่างทันทีแต่ก่อนที่จิตแต่ก่อนที่จิตจะออกจากร่างก็เห็นนางฟ้าลอยในอ า, ากาศเยอะมันเยอะเยอะมากมีมากมายด้วยกันจิตใจก็รักนางฟ้ามาออกจาก ออกจากร่างกายก็กลายเป็นนางฟ้าติดตามนางฟ้าพวกนั้นมาจึยังได้ถามว่าในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าแล้วยังจองเวรจองกรรมฉันอยู่หรือเธอก็ตอบ ว, ว่าการจองเวรจองกรรมของเธอไม่มีในฉันราะว่าฉันไม่มีเวรมีกรรมที่จะจองอาการที่ป่วยไข้มาสบายเป็นกฎของกรรมกฎของกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโถกธรรม ผู้ถูกกระทามีความสุขมีความรู้สึกขอบคุณผู้ช่วยเหลือขอบคุณในพระขอบคุณในท่านแต่ทำไมฉันจะจองเวรจองกรรมแต่นั่นมันเป็นกฎของกรรมที่ฉันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยรัดาท่านปรกฟังอย่างนี้ทุกคนก็จำไว้ด้วยรายการนี้เป็นรายการธรรมะพื่อการกระทำเราฆ่าปลาก็ดีฆ่าเป็ดก็ดีฆ่าไก่ฆ่างูฆ่าควายก็ตาม จงหยาดนึกว่าเขาไปพูดจองเวงจองกรรมแต่ไดกว่าสิ่งที่เรากระทำของเราคือกฎของกรรมคือความชั่วที่เราฆ่าเขามันเป็นสนองตัวเรารูง ค, ความว่าทราบว่าเธอไม่ได้จองถามเธอว่าโหสิกรรมไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีกรรมอะไรที่เจอโหสิเพราะฉันไม่ถือกฎไม่ถืออยู่แล้วไอ้ฆ่าฉันฉันไม่ได้โกดธไปในเพียงว่าขอให้ท่าน ปฏิบัติแก้กฎของกรรมให้คนไปก็แล้วกันฉันตามช่วยก็ถามเธอว่าเสียงให้บทเนนเธอจะว่ายังไงฉันบอกว่าเธอก็บอกว่าต้องบวชบวชเป็นแก้การแก้กฎของกรรมก็ตกลงใจว่าจะบทเนนวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเป็นวันอาทิตย์ วันนี้ก็ยังไม่ได้ปรกสากับเด็กนักเรียนแต่การบวชเนีนบันดาท่านพุทธริษัตถ์ต้องบวชมากเลยกันเพราะว่ามีบรรดาญาโยมพุทธริสัตท์ทำกดข้อกรรมประเภทนี้ต้องการให้บวชเนรให้สตังมาแล้วกว่าหลายท่าน <c oughs> แ, ตแต่มาเองก็คิดถึงไก่สองตัว ท, ที่ที่ร่วมกิงกับเขาในชาตินี้ด้วยตั้งใจคิดว่าจะบวชสมณีสักสิบองหรือยี่สิบอง แต่เน้นที่จะบวชที่บรรดาแทนพูทธบริษัทไม่รับคนภายนอกจะเอาเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่ฝึกฝนได้มโนยุธทธิดีแล้วผู้ได้ฌานโลกีโดยการบวชผู้ได้านโลกีที่มีอนิสงมากจะเป็นการสนองคนก็บาปได้นการบวชกี่องค์ยังตอบไม่ได้อย่างน้อยสิบองค์อย่างมากคงไม่เกินยี่สิบอง คือถ้ามากถึง2ี่ิบห้าองค์หรือสาสิบองค์ก็บวชเอาเฉพาะเด็กนักเรียนถ้าบรรดาญาโยมพระตริษัทว์บุรท่านปูนใดจะร่วมในการบวชเนนได้ก็ได้อันนี้ก็ไม่แปลกาศที่ไรแต่เพียงแต่เพียงบอกไว้ว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายที่ทำบุญมาแล้วเพื่อในการบวชเนรแก้บนก็ดีถ้าในการบวชเนนใช้กรรมไก่ก็ดี ให้ทราบว่าวันที่สิบเก้ามีนาคสาานนาามสองพันห้รรารา้อยสามสิบสองเวลาหลังเที่ยงทําการบวชเพราะว่าวันที่ยี่สิบตอนเช้าอาตมาจ้องรีบเข้าไปกรุงเทพไปวัดสามัญญาทาบุญอายุแปดสิบเศเขาจะสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ก็เป็นนว่าเวลาลิขินทีก็คุยกันต่อไปอย่านำเรื่องอื่นเข้ามาแทรกมันก็ไม่พอ กลับมาดูที่สมัยเป็นเด็กที่อยู่หันตราไปอยู่วัดที่หันตราไปเรียนวิชาความรู้เรียนหนังสืออักษรวิธีอักษรคืตัวอักษรกับพระอาจารย์ที่อาจารย์ชอบเวลานั้นกลายกฏว่าในวัดเขามีการฝึกฝึกเป็นอาวุธเด็กรุ่นโตเขาเรียนวิชาการปกครองบ้างวิชาการเกษตรบ้าง วิชาหม า, มาวิชาสงครามบ้างพระเวลานั้นมีความรู้ทุกอย่างและก็สอนทุกอย่างอาตมาผู้พูดเป็นเด็กก็ชอบเรียนวิชาป้องกันตัวคือการวิชากระบี่กระบองฟันดาบวิชาที่ชอบที่สุดคือการฟันดาบสองมือวิชาอื่นก็ชอบแต่ว่าไม่ชอบเท่าขนาดนี้ แในวัยขณะที่เรียนอยู่อายุสิบปีปรากฏว่ามีวันหนึ่งนักเรียนรุ่นโตซึ่งนเขาเรียนวิชาเปล่อาวุธแต่ว่าพยายามว่างคนหนึ่งจะเป็นคนเจริญ <c oughs> ชอบชวนทุกคนทุกคนเล่นการพนันยอดหลุมบ้างเล่นบอลุ่นบ้างได้แก่เป็นคนเก่งก็กินได้สตังค์เข้าเยอะแยะทุกคนก็หมดตัวอาจจะมาเองเป็นเด็กเล็กก็ถือไม้กระบองเล็กๆหนึ่งอัน ขิดไปขิดมากับดินมีกระตังอยู่สองไผ่ทิพนาั น, า น, านพ่อก็ไปให้ทีหนึ่งเธอก็มาชวนเล่นบอหุ่นก็เลยบอกว่าไม่เล่นเธอบอกว่าถ้าไม่เล่นที่จะเตะตเธอได้บอกว่าถ้าเตะปก็ติเธอบอกกับเธอโตกว่าก็ตอบทึกว่าโตกว่าก็ไม่แปลกในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันวันนี่สุด โย่ลงไปโย่มาแก ก, าก็เตะเอาจริงๆแก ง, ง้างขาจะเตะอย่างแรงเขาวดีตีด้วไม้ไมมสวนนะแข่งล้มลง ท, งทันทีถึงเกือบเดินไม่ไหว <c oughs> ต่อมาถ้าอาจารย์ชอบกันมาผมว่าเธอทําไมไปทำเขาอย่างนั้นก็เกลียบหลาบเรียนท่านบอกว่าในเมื่อเขาเตะผมนี่ครับผมก็ต้องตีเวลาเขาจะเตะผมไม่มีใครห้ามที่เวลาผมตีเขาแล้วจะมาว่าผมนั้นมันไม่ไม่ถูกอาจารย์ชอบเธอบอกว่าถูก เก็ลงความว่าวันหลังท่านพ่อปฏิวัติไปถามความเป็นมาก็เลยบอกว่าโกงผมก่อนผมก็ต้องเอาโตขนาดไหนผมก็ต้องสูด <c oughs> ถ้าอาจารย์ชอบท่านก็บอกว่าไอ้หนูรักษาตัวให้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงเป็นคนมีมรญญ่าดียมีพรมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารโมตามีจิตอ่อนโยนนุเวขา วางเฉยไว้เพื่อกราบปียนว่าถ้าโกงผมผมไม่เฉยถ้าใครเขาไม่โกงผมผมก็เฉยท่านก็บอว่าท่านก็บอกท่านพ่อว่าไอ้หนูนี่มาเอาแน่ท่านก็เลยถามวันเด่นปีถามวันเด่นปีท่านลงเลขโกกักกกกกก็ไม่รู้ว่าท่านทาอะไรของท่านท่านก็หันมาบอกท่านพ่ อ, อว่าว่านี่พี่เลี้ยงให้ดีนะเด็กคนนี้นะ ถ้าพลาดท่าจาเป๋ก็เป๋ฉูดไปเลยถ้าเป็นโจรก็ไม่ต้องจับกันด้วยการหนึ่งถ้าดีก็ต้องดีมากเสด็จคนนี้ไ ป, ไปในด้านดีมากต่อไปจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาแล้วขั้ น, นีิสุดจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตได้แต่ว่าขอให้รักษาตัวให้ดีวันหลังต่อมาท่านพ่อก็บอกว่าอาจารย์ชอบเดิมทีเดียวท่านเป็นทหารเป็นหัวโม่ถลวงไ เป็นคนที่ฝกรบเก่งมากไม่เคยมีแผลจากอาวุของข้าศึกถ้าทรลวงไฟงเข้าไปหมู่ไหนหมู่นั้นก็ต้องแต่กระเจิงถ้าหาผู้ข้าประชาต้องการจะบกุกก็จะสั่งหัวหมู่ทรวงไฟคนนี้นําดทหายเข้าตีจุดนั้นทันทีเข้าตีจุดไหนแตแตกแตกจุดนั้นและโดยเฉพาะอย่างยี่วิชาหาวิชาสงครามก็เก่งมากการวางแผนเก่งมาก ท่านพ่อบอกให้ไปขอเรียนจากท่านไม่ที่สุดก็เรียนจากท่านทุกอย่างการเตรงอาวุธท่านก็แนะนำให้หมดท่านอาจารย์ชอบหนีเดิมเป็นทหารและต่อมาก็เป็นโรคหนิบชาเป็นทหารไม่ไหวก็เป็นอยู่ในกองเสมานตราต่อมาก็ลาบทเมื่อบทเลยเพราะบทดีใต้ชาสมาบัติก็เลยไม่สึกจากพระก็มงความวิช า, า, าขั้นต้นก็ได้จากอาจารย์ชอบวันตรา เพื่อศึกษามาในกาลนั้นอรันดาท่านพระธรรมศัททุกท่านเวลาเหลือหนึ่งไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต้องขอลาเขตอนนี้เป็นนั้นว่าเขาบรรดาท่านพระธรรมศัพท์เพื่อทราบชีวิตความมาเป็นแฝดตามเป็นมาของคนทุกคนว่าคนทุกคนไม่มีอะไรเที่ยงมันเต็มไปด้วยความทุกข์โลกภัยไข้เจ็บเป็นของท่านบรรดาที่ต้องมีกัน ความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเขาบรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านจนขงขันธ์ติคือความอดทนอดใจรักษากําลังใจเขไว้เราถือว่าเรามีความตายในที่สุดแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเป็นคนก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายไปผ็ผีจึงจะเป็นผีตีอรบรรดาแทนพุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็ขอลาก่อนขาะความศักสวัสิิ์วัพัฒนโมคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี